มิทานไทยการผจญภัยของสองหนุ่มการละครั้งหนึ่งยังมีช่างตัดเสื้อและช่างทำรองเท้าพวกอเขาตัดสินใจออกจากเมืองเล็กๆเพื่อไปแสวงโชคในเมืองใหญ่ก็อย่างที่คุณเห็นพวกเขาทั้งสองค่อนข้างจะแตกต่างกันหยุดทำเสียงน่ากลัวสักทีนะแค่ปวกสัตว์ป่าก็น่ากลัวพอแล้ว อย่าเครียดไปหน่อยเลยพี่ชายการร้องเพลงอย่างร่าเริงช่วยการเดินทางเราสั้นลงเสียงเพลงไม่ทำให้การเดินทางสั้นหร อ, อนะมีแต่จะทำให้รำคาญขึ้นสิไม่ว่านายดูเหนื่อยนะ อ, อนี่ดื่มน้ำสักหน่อยมันจะช่วยนายรู้สึกดีขึ้นโอ้หนาวไม่เย็นแล้วอ่ะแย่จริงโถเอ้ย หังจากเดินทางได้หนึ่งวันพวกเขามาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งพวกเขาลองเสี่ยงโชคที่นั่นช่างตัดเสื้อร่าเริงและเป็นมิดมากทำให้ผู้คนต่างเข้าร้านเขาในขณะที่ช่างทำรองเท้าบุดบึ้งและขี้งดหนิ ด, ดไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาเลยนี่ตัดชุด้ฉันหน่อยเซอโอได้เลยครับอสีแจ่มมาก เหมาะกับคุณมากเลยรถนิยมคุณนี่ดีจริงๆเลยนะครับดีมากขอบคุณนะแล้วพอจะทันได้พรุ่งนี้ไหมครับโอ้ได้แน่นอนครับผมจะเตรียมไว้ให้พรุ่งนี้คุณได้รอจัดอย่างแน่นอนเลยละ่ะผมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่สักคู่พอจะเตรียมให้ทันพรุ่งนี้ไหมครับโดยเท้าที่หน้าเกลียดและเสียรูปแบบนั้นน่ะเหรอ ฉันคงต้องใช้เวลาทั้งคืนอ่ะเพื่อจะทำให้มันพร้อมในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องครับคุณผู้หญิงผมจะเตรียมมันให้พร้อมในอีกสองวันนี่เป็นชุดที่สวยที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะครับอ๋อคุณช่างอารมณ์ดีนี่ค่ะใจลวงหน้าช่างตัดเสื้อทำเงินได้มากมายในขณะที่ช่างทำรองเท้าไม่ค่อยมีเลยช่างทำรองเท้าเห็นและเริ่มอิจฉาช่างตัดเสื้อ ไม่นานก็ถึงเวลาที่เขาต้องจากเมืองนี้ไปอีกครั้งไปเถอเพื่อนถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วใช่เซ่นายก็พูดได้ก็นายเนี่ยมีโชคอยู่เสมอนี่นะแต่โชคไม่เคยเข้าข้างฉันเลยไม่ว่าจะไปไหนอืมต้องมีโชคสักวันละเพื่อนบางทีนายอาจจะโชคดีในเมืองต่อไปก็ได้ไปซื้ออาหารก่อดเดินทางกันเถอะน่โอเคนะไปเร็ว นี่นายจะบ้าเหรอเราต้องเตรียมอาหารเผื่อ7วันเลยนะไม่หรอกเมืองข้างหน้าสองวันก็ถึงมันมีทางลัดฉันเคยได้ยินแล้วถ้าเราไม่เจอทางลัดละ่ะเราก็ต้องใช้เส้นทางหลักไป7วันเลยนะโอเคฉันจะเลือกเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเตรียมอาหารเจวันสำหรับนายและสองวันสำหรับฉัน ดังนั้นช่างตัดเสื้อใช้เงินอย่างมีน้ำใจเขาซื้ออาหารให้ช่างทำรองเท้าด้วยและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางไปยังเมืองถัดไปพวกเขาเดินอยู่นานและพบว่าพวกเขาหาทางลัดไม่เจอดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เส้นทางหลักไปยังเมืองช่างตัดเสื้อพกอาหารมาเพียงสองวันไม่นานอาหารเขาก็คงหมด อ, อ๋นี่เป็นขนมปังชิ้นสุดท้ายของฉันแล้วเป็นไงล่ะ ฉันบอกนายแล้วเราอาจจะหลงทางนายเน่ไม่ฟังเองเนะป้าจะดูแลเราเองพี่ชายมาเถอะเราต้องเดินต่อแล้วพวกเขาเดินต่อไปอีกสองวันในสองวันช่างทำรองเท้ากินอาหารอย่างเต็มอิ่มในขณะที่ช่างตัดเสื้อไม่เหลืออะไรให้กินเลยเขาเหนื่อยและเขาก็หิวมากๆในวันที่สาเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาขอกับช่างทำรองเท้า พี่ชายขอแบ่งอาหารให้ฉันหน่อยจะได้ไหมฉันหิวมากเลยฉันไม่ได้กินอะไรเลยสองวันที่ผ่านมานี้พี่ยังเหลื อ, อตั้งเยอะนี่นะแบ่งให้นายแล้วฉันต้องหิวอย่างนั้นเนอะนายควรจะเตรียมมาเองตอนที่ไหน ย, ยังทำได้นะโถพี่ฉันหิวตายแน่ถ้าไม่ได้กินข้าวฉันแบ่งเงินกับพี่ได้นะ ถ้าพี่ยอมแบ่งอาหารให้ฉันสักหน่อยนะโอ้ในคิดว่านายรวยกว่าฉันเงินสิใช่ไหมนายก็แค่โชคดีวกว่าฉันน่ะได้งั้นเอาเงินทังหมดของนายให้ฉันแล้วฉันจะแบ่งอาหารให้อะไรนะฉันเป็นคนซื้ออาหารนั่น น, นนะฮึแล้วทําไมนายไม่ไปซื้อเองล่ะในป่าแบบนี้ไง <G ül> ก็ได้ โอเคตามตกลงเอานี้เอาไปทำไมมันน้อยจังเลยอะหรือจะไม่เอาอะไรเลยล่ะฮะก็ได้ขนมปังที่ช่างทำรองเท้ามอบให้นั้นน้อยมากๆขนาดนกยังกินไม่อิ่มเลยดังนั้นช่างแต่เสื้อจึงหิวโหยเขาหวินเวียนเหนื่อยล้าและอ่อนแรงลง ในบ่ายวันนั้นเขารู้สึกหน้ามืดและล้มลงไปกับพื้นช่างทำนองเท้าที่เห็นแกตัวเดินไปยังเมืองโดยไม่สนใจหลังจากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงช่างตัดเสื้อก็ฟื้นขึ้นและได้ยินเสียงนกสองตัวคุยกับเขาเมวเห็นช่างทำนองเท้าหดรายนั่นใช้เพื่อนนายไหมแต่ในชีวิตต้องคอยช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเสมอ นี่กินแอปเปิ้ลซะแล้วความเหนื่อยล้าทั้งหมดของนายก็จะหายไปเดินต่อไปในทิศตะ ว, วันออกนะนั่นเป็นทางไปสู่เมืองใหญ่มันน่าจะใช้เวลาสักสองวันออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆความเหนื่อยล้าทั้งหมดของช่างตัดเสื้อหายไปในทันทีที่เขากัดแอปเปิ้ลและเขาเดินทางไปยังเมืองได้อีกครั้งไม่นานเขาก็เริ่มหิวอีก ถึงแม้เขาจะมีแอปเปิลแต่ร่างกายของมนุษย์ต้องการมากกว่านั้นเพื่อความอยู่รอดแต่แอปเปิลทาให้เขาแข็งแรงขึ้นเขามองเห็นเป็ดในสระเขาจึงจับพวกมันมาหนึ่งตัวฉันหิวมากเลยเจ้าเป็ดออขอโทษทีนะแต่ว่าฉันก็ต้องกินนายแล้วเออได้ปลดไว้ชีพฉันด้วยฉันมีลูกและครอบครัวนะถ้านายกินฉันความหิวของนายก็จะดีขึ้นในไม่กี่ชมมั่วโมง แต่ลูกๆของฉันต้องกำพาแม่ของเขาตลอดชีวิตเลยนะโอ้ความหิวทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันทนหิวแทบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรฉันจะปล่อยเธอไปขอบใจมากวานุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและจะช่วยนายในสักวันนั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณมากนะดังนั้น ช่างแต่เสื้อจึงเดินต่อไปด้วยความหิวไม่นานเขาพบกับรังน้ำผึ้งอ๋อถ้าได้กินน้าผึ้งสักหน่อยคงคลายความหิวของฉันได้บ้างละ่ะอ้؛ได้โปรดอย่าทำลายรังของเราเลยนะพวกเราใช้เวลาตั้งนานกว่าจะสร้างมันขึ้นมาได้แต่ฉันหิวมากฉันอยากจะกินอาหารน้าผึ้งน่ะอาจจะช่วยให้ท่านหิวน้อยลงได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่พวกเราต้องใช้เวลาสร้างรังตั้งหลายอาทิตย์นะก็ได้ฉันจะไม่ทำอะไรรังของเธอขอบใจมากมนุษย์ฉันสัญญาฉันจะตอบแทนความเมตตาของนายและช่วยนายในสักวันหนึ่งนั่นเป็นความคิดที่สูงส่งมากขอบคุณนะดังนั้นช่างตัดเสื้อเดินไปเรื่อยจนถึงเมืองใหญ่ เขาตกแต่งชุดให้ปรรยาของพ่อค้าและได้ค่าตอบแทนมาเป็นอย่างดีเขาเริ่มเปิดร้านของตัวเองในเมืองด้วยความใจดีอย่างเป็นธรรมชาติลูกค้าต่างเข้ามาหาเขาและไหนไม่ช้าช่างตัดเสื้อก็มีชื่อเสียงมากในเมืองเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นคนตัดเสื้อของบริษัแต่บางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นช่างตัดเสื้อในวังช่างทำรองเท้าก็กลายมาเป็นช่างทำรองเท้าในราชวงศ์เช่นกันเขายังคงอิจฉาช่างตัดเสื้ออยู่ตลอดเวลาอ้าวช่องเป็นเสื้อคลุมที่สง่างามจริงๆนะช่างตัดเสื้อของข้าทําไมเจ้าไม่ทํารองเท้าใหม่ให้เข้ากับชุดที่ช่างตัดเสื้อทะะําล่ะฮะตามพระประสงค์เลยฟ้าบาทรองเท้าของเจ้า ต้อยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับเสื้อกลุ่มตัวนี้ขอรับฟ้าบาดช่างทำรงเท้าอิชาช่างตัดเสื้อมากขึ้นพระราชาทรงโปรดช่างตัดเสื้อมากดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะกําจัดช่างตัดเสื้อฟ้าบาดช่างตัดเสื้อนะ่ะฝีมือดีก็จริงแต่ข้าเกรงว่ามารายาทของเขาไม่ค่อยจะดีเลยเจ้ า, ม า, ามไม่คุ้มว่าอย่างไง ช่างตัดเสื้อไม่ค่อยสุภาพและเขาก็โอ้อวดมากเขาอวดอ้างเกี่ยวกับท่านและพระราชวังแห่งนี้ด้วยนะจริงเหรอเขาพูดยังไงบ้างท่านจําเอ๋เ่ยวกับมงกุฎโบราณที่ปู่ของท่านทําหายในป่าได้ไหมโอ้ได้สิมงกุฎน่าวิเศษมากเลยเข้าหวังว่าข้าจะได้มันกลับคืนมาข้าได้ยินช่างตัดเสื้อน่ะ โอ้อดไว้เมื่อวันก่อนเขาบอกว่าเขาจะนํามงกุฎกลับมาใน24ชั่วโมงอย่างงั้นเหรอเขากล้าล้ามป่ามารดกตกทอดแล้วเนี่ยเรียกเขามาพบข้าเดี๋ยวนี้เลยขอรับฝาบาทข้าได้ยินมาว่าเจ้าสามารถนํามงกุฎโบราณกลับมาได้อย่างงั้นเหรอฝาบาทข้าไม่ไม่ไม เจอเป็นคนดีนะช่างตัดเสื้อข้าไม่คิดเลยเจ้าจะขี่อวดขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าใช้โอกาสนำมงกุฎมาเอามาคืนในข้าใน24ชั่วโมงหากเจ้าทําไม่ได้เจ้าต้องถูกในระเทศเออกจากเมือง น, นี้ตลอดไปเออแต่ว่าเจ้ามีเวลาแค่24ชั่วโมงนะช่างตัดเสื้อรู้ว่างานนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามงกุฎหน้าตาเป็นยังไง เขาเก็บกระเป๋าและออกจากเมืองด้วยความเศร้าเขาเข้ามาในป่าใกล้ๆเมืองอีกครั้งหนึ่งเขามาถึงสระที่เคยพบเป็ดและนั่งพักที่นั่นเฮ่เจ้ามนุษย์เป็นยังไงบ้างโอ้ก็ดีนะเพื่อนแต่โชคชะตานําข้ากลับมาทั้งนี้และต้องออกจากเมืองนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วองทาไมเหรเกิดอะไรขึ้น ชงแต่เสื้อเล่าทุกอย่างให้เป็ดฟังมงกุรของราชาเงินเอนอะมันเนอะจมอยู่ใต้สะแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้วปู่ของราชาเคยพักที่นี่ในตอนที่เขาก็ลังดื่มน้ำมงกุรของเขาได้ตกลงตรงนี้โดยบังเอิญเธอช่วยเอามันมาให้ฉันได้ไหมได้แ น, น่นอนดังนั้นครอบครัวของเป็ดจึงมุดลงไปในน้ำ ตัดเสื้อขอบคุณเป็ดและรีบกลับมายัางพระราชวาังพระราชาพอใจมากๆและนั่นยิ่งทำให้ช่างทำรองเท้าอิจฉามากขึ้นในมิช้าเขาก็วางแผนจะกาจัดช่างตัดเสื้ออีกครั้งมันก็ดีที่เขาเพอมงกุฎนนะฟาบาต์แต่ช่างตัดเสื้อนะ่ยยิ่งโอ้โอวดมากขึ้นไปอีกเนอะอะไรนะเขาพูดว่าเช่นไรละ่ะเขาบอกว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงช่างตัดเสือ้อแต่เขายังเป็นช่างแกะสลักด้วยเขาสามารถปั้นขี้ผึ้งเป็นพระราชวังแห่งนี้ได้ทำได้ทุกห้องเสาทุกตน้นและทำทุกอย่างในวังแห่งนี้ได้เหมือนทุกระเบียดนิ้วเลยโดยบอกว่าใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นโอ้ช่างตัดเสื้อนี่เป็นชายที่มีพรสวรรค์มากมายจริงๆเลยเนี่ยงั้นเรียกเขามาเดี๋ยวนี้เลยได้ครับฟาบาัส เจ้าสามารถสร้างแบบจำลองจากพระราชวังนี้ได้ใช่ไหมว่าไงฟาบาตคือข้าทำไมไม่ไมงั้นเจ้ามีเวลา24ชั่วโมงที่จะสร้างแบบจำลองจากพระราชวังแห่งนี้ให้เหมือนทุกระเบียดนิ้วนะหากมีตะปูหรือหน้าต่างสักบานที่หายไปเจ้าจะถูกเนรเทศจากเมืองของข้าตลอดไปขอรับฟาบาตช่างตัดเสือ้อคิดว่าครั้งนี้คงไม่มีใครช่วยได้แล้ว เขาเก็บกระเป๋าและเดินทางออกจากมือในขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเขาได้ยินเสียงเรียกขึ้นว่าไงมนุษย์จะดูเศร้านะช่างแต่เสื้อหันไปและพบกับพึ่งราชนีช่างแต่เสื้อบอกเธอทุกอย่างเขียวขบแบบจำลองจากขี้พึ่งแค่นี้เองเหรอกลับบ้านไปพักผ่อนซะมนุษย์เราพึ่งของข้า จะสร้างแบบจำลองให้กับเจ้าเองช่างตัดเสื้อกลับไปที่บ้านและพวกเรื่อนก็บินไปสำรวจพระราชวังทุกซอกทุกมุมหน้าต่างทุกบานเสาทุกตน้นตะปูทุกดอกและจากนั้นก็สร้างมันในตอนเช้าและนําไปมอบแด่ช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อนํามันไปมอบแด่ราชาโอ้พระเจ้ามันงดงามมากดีมากช่างตัดเสื้อ จะมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ไ้มเจ้ายังจะพูดว่าช่างตัดเสื้ออ oh, อวดอยู่หรือเปล่าล่ะว่ายังไงขอประธานโทษ ด, ด้วยฟาบาัตข้าเคยสงสัยนะว่าคนคนนึงจะทำอะไรลับหลังคนอื่นเน่เจ้าเี่ยอิจฉาช่างตัดเสื้อสินะและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าทิ้งเขาให้อดตายอยู่ในป่าต้อฟาบาัตท่านรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ ข้าไปถึงราชาข้าต้องรู้ทุกสิ่งในเมืองนี้ข้าขอติดตามช่างตัดเสื้อและสัตว์ในป่าก็บอกข้าทุกอย่างมันเป็นความจริงที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วเจ้านะเป็นชายที่ร้ายกาจและเห็นแก่ตัวมากนะช่างทำรองเท้าออกจากวังและอาณาจักของข้าเดี๋ยวนี้เลยฟา ฟ, ฟ, ฟ, ฟาบาท ได้โปรดเธอให้อภัยเขาด้วยฟาบาดข้ายกโทษให้เขาแล้วไม่งั้นคงจับขังคุกไปแล้วละ่ะสําหรับการพยายามปล่อยเจ้าอดตายน่ยแต่เขาต้องมาอยู่ในอาณาจักรของขา้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยและเจ้าช่างตัดเสือ้อข้าภูมิใจมากที่มีพลเมืองอย่างเจ้าในอาณาจากาักรข้าเจ้าจะอยู่ที่นี่อย่างรู้ราและสบายจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายนั่น เป็นเพราะสิ่งดีๆที่เขาทำช่างตัดเสื้ออาศัยอยู่ยังมีความสุขและได้รับความเคารพในชีวิตที่เหลือของเขาช่างทำรองเท้าถูกในระเทศออกจากเมืองและไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับเขาอีกเลย